ปั้นจันทรตอกเข็มถูกนําเข้ามาบริเวณที่จะตอกเสาเข็มเพื่อจะทําสะพานข้ามคลองเข้าสู่หมู่บ้านจัดสรรหลังอู่รถเมของชาวคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเจ้าของหมู่บ้านได้ว่าจ้างบริษัทโพคทวีก่อสร้างเป็นผู้ดําเนินการหลังจากประกอบปั้นจันรเข้าที่แล้วโฟแมนก็สั่งทดลองเดินเครื่องจกักรเสียงเครื่องจากคลังกระหึ่มเป็นปกติ เข็มต้นแรกถูกสายสลิงดึงขึ้นสู่ยอดปั้นจันแล้วพนักงานก็กรูกันเข้าไปช่วยจับปลายเจาะให้ตรงกับจุดที่กำหนดไว้โดยให้สัญญาณลดเข็มลงมาจนได้ระดับก็ทำการปลดสลิงปั้นจันทรตอกเสาเข็มก็ทาหน้าที่ตอกกระแทกเสาเข็มกระแทกเสาเข็มชําแรกดินลงไปปลายเสาเข็มทะลวงลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ระดับความลึกประมาณเกือบ6เมตร ก็ได้ยินเสียงดังประหลาดนะคะคล้ายกับว่าไปถูกอะไรที่เป็นโลหะแข็งๆค่ะโฟร์แมนก็เกรงว่าจะเป็นท่อสาธารณูปโภคก็เลยสั่งให้หยุดแล้วก็ทำการถอนเสาเข็มขึ้นเสียงเครื่องจักรออกแรงดึงเสาเข็มแต่ว่าไม่ขยืนเคลื่อนอที่ เมื่อโฟแมนสั่งให้เพิ่มกำลังน็อตยึดแท่นเครื่องก็ขาดแล้วก็กระเด็นมาอัดกับหน้าแข้งของโฟแมนจนกระดูกหน้าแข้งเนี่ยแตกเป็นแผลเลือดไหลกระโกรกนะคะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็ล้างแผลแล้วก็เห็นว่ากว้างก็เลยลงมือเย็บให้ถึงสามเข็มทำงานไม่ได้ไปหลายวันเลยล่ะค่ะ สำหรับกำหนดรับเหมาก่อสร้างมีระยะเวลางานจะหยุดงานไม่ได้โฟร์แมนสำรองจากไซส์งานอื่นก็ถูกเรียกมาทำการตอกเสาเข็มต่อโดยเลื่อนปั้นจันไปยังจุดที่จะตอกที่อื่นต่อไป หลุมถัดมาพอตอกลงไปได้สักครึ่งต้นค่ะคนงานก็ล้มลงไปเฉยๆรวดเดียวสองสามคนต้องถูกถามส่งโรงพยาบาลพอรู้สึกตัวอีกทีทุกคนก็บอกว่าเห็นเงาดำๆเนี่ยพุ่งมาจากปั้นจันกระแทกเข้าที่ตัวของพวกเขาแล้วความรู้สึกก็หมดไป การตอกเสาเข็มเป็นไปอย่างทุลักทุเลและก็มีอุปสรรคตลอดค่ะเรื่องก็มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุติดต่อกันคนงานบาดเจ็บเกิดอุปสรรคเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เลยทําให้การตอกเสาเข็มไม่ตรงตามกําหนด และที่นับว่าร้ายแรงที่สุดจนคนงานไม่ยอมทำงานนั่นก็คือในเตี้ยคนงานซึ่งเป็นคนขยันนะคะอยู่ดีๆก็วิ่งออกมาจากที่ตอกเสาเข็มแล้วก็เต้นเร่าๆชี้ไม้ชี้มือพร้อมกับร้องตะโกนเหมือนโกรธแค้นพอจับใจความได้บอกว่ากูอยู่ที่นี่มาร้อยปีแล้วไม่มีใครหน้าไหนกล้ามารบกวนพวกมึงกล้ามากเอาของแหลมมาตอกอกอ ก, กูได้พวกมึงต้องเห็นดีกับกูแน่วันนี้ กูมาบอกมึงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันวันหน้าเจอกันใหม่คุณผู้ฟังคะถึงตอนนี้แม้จะไม่อยากจะคิดถึงเรื่องผีก็จำต้องคิดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ละคะ่ะเพราะว่าพอผีออกจากตัวของนายเตี้ยแล้วนายเตี้ยก็จำอะไรไม่ได้เลยและเมื่อทุกคนเล่าให้ฟังนายเตี้ยก็ขอลาหยุดงานไปรดน้ำมนแล้วก็ไม่กลับมาทางานที่นี่อีกเลย เหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นทาเอาคนงานพากันย้ายไซต์งานไปที่อื่นเรื่องก็เลยร้อนถึงลูกชายของเจ้าของบริษัทรับเหมาต้องมาที่ไซต์งานพร้อมกับแสดงกิริยาอาการท้าทายเพื่อปลอบขวัญคนงานโดยร้องตะโกนว่าไอ้ผีนรกมึงแน่นักหรือกูมาแล้วไงมาเข้ากูสิมาให้กูเห็นว่ามึงแน่จริงดีแต่หลอกหลอนคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวกูนี่แหละนายจ้างเจ้าของโครงการที่ตอกอกมึงไง มาทำกูดีกว่าทุกอย่างเงียบนะคะราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับไม่มีเสียงตอบรับใดๆหรือว่ามีการเข้าร่างคนงานมาโวยวายลูกชายเจ้าของบริษัทก็ยิ้มกว้างค่ะหันมาพูดกับคนงานบอกว่าไม่มีอะไรแล้วนะถ้ามันแน่จริงก็คงหักคออ้วไปแล้วมันขู่พวกลื้อเพราะเห็นว่ากลัวแต่คนจริงอย่างอ้วมันไม่กล้า พอเดินคล้อยหลังออกมาก็มีอันเป็นหัวทิ่มถลาไปนอนจูพื้นในลักษณะจับกบค่ะลุกขึ้นมาสำรวจดูร่างกายะลอกปอกเปลกเล็กน้อยไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครทำเพราะว่าจุดที่ล้มลงห่างจากคนงานมากไม่มีใครเล่นตลกแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเหมือนมีใครเอาเท้าขนาดใหญ่มาถีบที่ก้นเต็มที่จนถลาล้มลงดังกล่าวนะคะเมื่อเจออย่างนี้เขาก็รู้สึกขนลุก พร้อมกับรีบกลับบ้านแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับคนที่เป็นแม่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาฟังซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนางหลุยสีมาดาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอย่างยิ่งถึงกับคว้าของขลังติดตัวแล้วก็เดินทางมาที่ไซงานไปถึงก็เท้าสเสยร้องตะโกนด่า ด, ด้วยความโมโหแล้วก็มีอารมณ์ที่ผีมาขัดขวางงานค่ะบอกว่าไอ้ผีมึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดวนเวียนคอยก่อความรําคาญให้มนุษย์ ฉันทำงานสุดจริตรับเหมาก่อสร้างสะพานทำไมต้องมากลั่นแกล้งกันเดี๋ยวจะหาหมอผีมากำจัดไม่ให้ไปผุดไม่ให้ไปเกิดตลอดไปเลยคอยดูสิถ้ายังจะกำแหงพูดจบก็หันหลังกลับแล้วก็มีอากับกิริยาเดียวกับลูกชายค่ะแต่ว่าคราวนี้หงายหลังก้นกระแทกจุกไปหมดคนงานต้องช่วยกันประคองขึ้นรถกลับบ้าน พอพักฟื้นแล้วก็นึกขึ้นได้นะฮะบอกว่าเคยอ่านพบในหนังสือพิมพ์บางกอกไทมบอกว่ามีอาจารย์พรหมศาสตร์อยู่สำนักหนึ่งชอบช่วยผู้เดือดร้อนในเรื่องถูกวิญญาณรบกวนนางก็เลยติดต่อจนพบแล้วก็ไปขอความช่วยเหลืออาจารย์ชื่ออาจารย์ทองแถมศาสตร์รุจิค่ะซึ่งปัจจุบันก็ถึงแก่กรรมไปแล้วแล้วก็ได้รับเรื่องไว้แล้วก็ขอให้มาฟังผลในอีก3วันต่อมา หลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพรมศาสตร์ค่ะก็เลยนั่งสมาธิตรวจสอบพื้นที่ดินโดยรูปถ่ายที่นางหลุยนำมามอบให้ก็สามารถติดต่อกับเจ้าของเรื่องรายได้โดยพบนะฮะว่ากูชื่อฮิมเป็นนักเลงใหญ่อยู่ที่นี่เมื่อร้อยปีที่แล้วกูไม่เคยกลัวใครจนกระทั่งมีพวกที่ต้องการจะแย่งชิงความเป็นใหญ่กับกูลวงกูมาที่นี่และพวกมันสิบคนก็รุมฆ่ากูด้วยกริกูก็แทงพวกมันตายไปหลายคน กูตายตรงนี้มันเอาศพกูโยนลงคลองที่พวกมันตอกเสาเข็มกูก็เลยโกรธมากอาจารย์ทองแถมก็เลยทำตามขั้นตอนแรกโดยให้คนงานของนางหลุยนะคะขุดดินจากบริเวณที่ทำการตอกเสาเข็มสีทิศเนี่ยมาให้แล้วก็ทำพิธีเสกดินล้างอาถรรพ์จากนั้นก็ให้เอาดินกลับไปไว้ที่เดิมค่ะซึ่งทำเป็นการเปิดทางให้กับวิญ ญ, ญาณในหิมเคลื่อนที่ออกไปได้สะดวกคนงานได้ดินไปแล้วก็เอาไปทุบ ให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็โปรยทั่วสีทิศรวมทั้งคลองจนทั่วค่ะปรากฏว่ามีลมพัดแรงแล้วก็มีคนงานถูกเครื่องจักรทำอันตรายจนต้องส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเมื่อข่าวทราบถึงท่านอาจารย์ทองแถมท่านก็เรียกสิทธิ์ของท่านมาพบนั่นก็คือคุณวิชาสุทธิโกเศสนะคะ ซึ่งทำงานเป็นนายช่างอยู่ที่กรมทางหลวงแผ่นดินให้นำเอาทรายทองแล้วก็ดินศักดิ์สิทธิ์ที่ทำพิธีไว้ถึงเจ็ดคืนไปโปรยลงในไซ้งานของนางหลุยเพื่อขจัดแล้วก็ปัดเป่าให้กับวิญญาณของนายหิมต้องออกไปจากที่ซึ่งตัวเองเคยอยู่การนำดินไปโปรยคราวนี้ไม่มีอุปสรรคทุกอย่างดำเนินไปด้วยความราบรื่นจนการก่อสร้างสะพานดาเนินไปจนแล้วเสร็จตามกาหนดที่ได้รับการว่าจ้าง อาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าก่อนทำงานไม่ได้ตั้งโต๊ะเส้นไหว้เจ้าที่ซะก่อนก็เลยต้องพบเจอกับอาถรรพ์ดังกล่าวพอทำพิธีถูกต้องแล้วทุกอย่างก็จบนะคะนายอนันต์โตสุการคนงานเก่าแก่ของบริษัทพวกทวีก่อสร้างได้เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาทำงานมาหลายไซต์งานแล้วไม่เคยพบเจอเรื่องแบบนี้เลย โฟร์แมนที่ชื่อว่านายทวีค่ะทำงานมาจนแทบจะหลับตาทำได้ถูกน็อตแท่นเครื่องกระเด็นมาตีนาะแข้งแตกเย็บสามเข็มต้องลาหยุดงานคนงานเดินอยู่ดีๆก็ถูกถีบหล่นลงไปถูกไม้แบบกระแทกแขนหักหัวแตก อีกรายหนึ่งกลางวันแสกๆค่ะร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกตัวเนื้อเนี่ยสั่นต้องล็อกคอลากไปสงบสติอารมณ์จึงพูดรู้เรื่องก็บอกนะฮะบอกว่ามองลงไปในน้ำเนี่ยเห็นผีหัวขาดโผล่ขึ้นมาโบกมือและไม่นานหัวที่ขาดก็ผุดขึ้นมาจากน้ำในตาเหลือกลานถลนก็เลยร้องเอะ อ, อะนะคะด้วยความตกใจกลัว ในเบียดค่ะอีกคนนึงซึ่งเป็นคนงานเดินอยู่ดีๆก็ถูกไม้หน้าสามที่ตัวเองเนี่ยเดินไปเหยียบดีดขึ้นมาตีนักแข้งจนกระดูกนักแข้งหักต้องเข้าเฝือกทํางานไม่ได้รายนี้บอกชัดเจนว่าไม้มันลอยขึ้นมาจากพื้นเองไม่ได้เหยียบสักหน่อยลอยขึ้นมาตีนักแข้งหักเฉยเลยแต่ว่าถ้าบอกความจริงก็เกรเงจะถูกหาว่าเป็นบ้านะคะเลยต้องบอกว่าเหยียบไม้กระดกตีนักแข้งตัวเองแตก น, นายอนันต์บอกค่ะว่าตอนเฝ้าของอยู่ที่ไซส์ก็ฝันไปว่ามีผีหัวขาดเนี่ยเดินมาที่ไซส์างานมาขับไล่บอกว่าไม่ต้องการให้มาทำงานตรงนี้ไม่เช่นนั้นจะเดือดร้อนทั้งหมดก็เลยพยายามระมัดระวัง แต่ก็ไม่ไวายโดนไม้รองเครื่องตอกเข็มเวลาเครื่องตัวปั้นจันเนี่ยนะคะกระเด็นหลุดมาตีหัวแตกจนต้องเย็บนายอ น, นันต์บอกว่าพอได้ยินเสียงดังปึ้งไม้ก็หลุดจากการรองดีดเหมือนมีใครยกขึ้นมาเพ่งกระบาลของผมเนี่ยดังโป๊กเลือดหนี่ไหลาอาบหมดเต็มตัวไปหมดเลยตั้งแต่ทําพิธีเสกทรายเสกดินขับไล่แล้วเหตุการณ์ร้ายก็ไม่เคยเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าท่านอาจา ร, รย์ใหญ่บอกว่า เราเชิญเขาออกไปเพราะว่าสะพานจะสร้างความเจริญให้กับชุมชนแล้วเขาก็อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วก็ควรจะยุติการครอบครองได้แล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทุกอย่างทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะซึ่งผู้คนในอดีตก็ล้มหายตายจากผีก็ควรจะไปอยู่ส่วนผีในที่ที่ดีส่วนนั่งหลุยแล้วก็ลูกชายค่ะก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องตลาดแบบนี้ แต่เมื่อประสบพบพันกับตัวเองก็เลยเชื่อนะคะว่าสิ่งที่มองไม่เห็ น, นมีอำนาจมีตัวตนแม้จับต้องไม่ได้แต่ก็ก่อความเดือดร้อนให้อย่างมากมายต่อไปเมื่อรับงานใหญ่หรู้ว่างานเล็กก็ตามค่ะจะต้องมีการทำพิธีเส้นสวงบอกกล่าวกันไว้ล่วงหน้าก็จะได้ไม่ต้องมีอุปสรรคนะคะนีดีว่าท่านอาจา ร, รย์ใหญ่ช่วยไว้ไม่เช่นนั้นงานคงไม่เสร็จตามกาหนดต้องถูกปรับเป็นแน่นอน ก็คงเป็นจริงตามคำโบราณบอกอะค่ะว่าการทำศกโปรกเรียรา่าดถ่ายหนักถ่ายเบาส่งเดชบางครั้งก็ไปรถเอาที่ที่วิญญาณเขาอยู่จึงถูกทำร้ายแม้แต่สารพระภูมิเก่าๆร้างๆก็อย่าไปดูถูกเหยียบย่าเพราะว่าอาจจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเพราะว่าฤทธิ์ของอธิสมานกายนั้นร้ายแรงยิ่งนักทีเดียวค่ะ นี่ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะที่แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ถ้าแก้ไขไม่ได้หรือว่ารู้ตัวช้าไป น, นิดนึงเนี่ยนะคะอาจจะมีความเสียหายมากมายกว่านี้เกิดขึ้นก็เป็นได้ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรียกว่าเรื่องราวนี้เป็นที่มาของตำนานมหัศจรรย์เรื่องนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากปณิธานความคิดของพระเดชพระคุณพระราชธรรมเจติยาจารย์หรือว่าหลวงพ่อวิริยางศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลค่ะนับเป็นเรื่องชวนอัศจรรย์ใจเรื่องหนึ่งซึ่งมีปฐ ม, มเหตุมาจากการที่ท่านมีจิตเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างพระปฏิมากรพระพุทธรูปขึ้นมาสักองค์เพื่อเป็นส่วนสําคัญในการสืบทอดพระศาสนาให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปแล้วก็เป็นสิ่งอันล้าค่าที่พุทธบริษั ทั้งหลายห่วงแหนเพื่อสืบทอดต่อเนื่องไปชั่วการนานวัตถุที่พระเดจพระคุณหลวงพ่อวีรยังกำหนดขึ้นในใจในขณะนั้นก็คือหยกสีเขียวนะคะแต่ก็เป็นการยากยิ่งเหลือเกินที่จะหาหินหยกสีเขียวบริสุทธิ์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ปราศจากรอยตำหนิเพื่อที่จะนำมาแกะสลักเป็นองค์พระปติมาดังกล่าวได้จนกระทั่งต่อมาท่านเองก็ได้ทราบข่าวว่าที่ประเทศแคนาดาค่ะ มีบริษัททำเหมืองหยกจึงคิดจะไปติดต่อเสาะหาหยกขนาดใหญ่ที่สุดด้วยการเดินทางไปยังประเทศแคนาดาในปี2530ในการเดินทางครั้งนั้นท่านได้ร่วมเดินทางไปกับสิทธิ์ของท่านเพื่อไปสืบหาหยกสีเขียวขนาดใหญ่เพื่อนํามาแกะสลักเป็นองค์พระปฏิมาพระพุทธรูปเมื่อท่านเดินทางไปถึงประเทศแคนาดาแล้วก็ได้พยายามติดต่อหาก้อนหยกขนาดใหญ่ที่สุด แต่ก็ไม่พบดังประสงค์นะคะจึงได้เข้าไปพบกับเจ้าของบริษัททําเหมืองหยกแล้วก็ขอสั่งจองก้อนหยกขนาดใหญ่เอาไว้หากขุดได้หยกขนาดที่ท่านต้องการก็จะซื้อเอากลับมาเมืองไทยค่ะหลังจากกลับมาถึงเมืองไทยท่านก็ได้แต่รอฟังข่าวว่าเมืองหยกในประเทศแคนาดาว่าจะขุดพบหยกขนาดใหญ่ได้หรือไม่แต่ไม่มีข่าวคราวใดๆที่เป็นข่าวดีเอาซะเลยแม้ว่าทางเหมืองจะขุดหยกสีเขียวก้อนใหญ่ขึ้นมาได้บ้างในบางครั้ง แต่ก็ยังมีขนาดเล็กกว่าจุดประสงค์ของพระราชธรรมมเจติยาจารย์จนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบ5ปีนะคะวันที่16สิงหาคม2534เวลาตี3ค่ะพระเดจพระคุณพระราชธรรมมเจติยาจารย์ก็ได้นำพระภิกษุสามเณรในวัดธรรมมงคลลุกขึ้นนั่งสมาธิตามปกติในพรรษา โดยในขณะที่ท่านนั่งสมาธิค่ะก็ได้เกิดนิมิตเห็นหยกเขียวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปรากฏขึ้นเมื่อออกจากสมาธิท่านก็เลยมั่นใจนี่คะว่ายังไงก็จะต้องได้หยกเขียวดังประสงค์แน่นอนจึงได้กำหนดที่จะเดินทางไปยังประเทศแคนาดาในวันที่28ตุลาคม2534ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีเหตุบางประการหละนะคะที่ทาให้ต้องเลื่อนกาหนดวันเดินทางออกไปเป็นวันที่12พฤศจิกายนศกเดียวกัน โดยมีคุณชัยยศ ส, สมบุญธรรมนะคะเป็นอุบาสกผู้ติดตามในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็ท่านพลอากาศเอกเกษตรโรษจนินผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้นเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์เรื่องตัวเครื่องบินทั้งไปและก็กลับโดยาสายการบินไทยซึ่งก็ได้รับความสะดวกสบายทุกประการค่ะ เมื่อถึงแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งเป็นรัฐใหญ่ของประเทศแคนาดามีเนื้อที่พอๆกับประเทศไทยทั้งประเทศพระราชธรรมมเจติยาจารย์ก็ได้ทราบข่าวค่ะว่าก้อนหยกเขียวขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการขุดพบนั้นแต่สถานที่ที่พบหยกเขียวก้อนนี้ไม่ใช่ที่เหมืองหยกแต่ว่าเป็นที่เหมืองทองคำนะคะ ซึ่งเจ้าของเหมืองทองคำนั้นก็คือนายจอรนสกัดเลอร์ซึ่งเป็นชาวเยอรมันนายจอรนสกัดเลอร์ผู้นี้เข้ามาสแสวงโชคด้วยการหาสินแร่ทองคำในบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาหลายสิบปีแล้วเมื่อค้นพบสายแร่ทองคำที่พอจะตั้งเหมืองได้เขาจึงลงทุนตั้งเป็นเหมืองทองคำขึ้นแล้วก็ดำเนินกิจการจนรุ่งเรืองมาพอสมควรค่ะ สำหรับการขุดพบหินยกเขียวขนาดมะฮือมาก้อนนี้เป็นการขุดพบโดยไม่ได้นึกฝันมาก่อนหรือจะกล่าวว่าเป็นความมหัศจรรย์ก็คงจะไม่ผิดเลนะคะกล่าวก็คือในวันที่16สิงหาคม2534ซึ่งตรง ก, กันกับวันที่หลวงพ่อวิริยังท่านนั่งสมาธิแล้วก็นิมิตเห็นก้อนหยกเขียวนายจอร์นสกัตเลอร์กำลังคุมคนงานขุดหาแร่ทองคำตามปกติซึ่งขณะนั้น อยู่ๆเขาก็เกิดความต้องการให้คนงานขุดเจาะลงไปณที่ที่มีหินยกฝังอยู่ใต้ดินโดยไม่มีเหตุผลและก็ไม่สามารถอธิบายได้ค่ะว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงอยากให้ขุดที่ตรงนั้นขึ้นมาเฉยๆเมื่อคนงานเริ่มขุดเจาะผิวดินแล้วก็หินก็พบว่ามีสายแร่ทองคำมากพอสมควรจึงเป็นกาลังใจให้ขุดต่อไปอีกนะคะเมื่อทาการขุดได้ระยะหนึ่งสายแร่ทองคาได้หายไป แล้วก็ในจอสกัตเลอร์เนี่ยเกือบจะออกคำสั่งให้หยุดการขุดเพียงเท่านั้นแต่ไม่ทราบว่ามีบางสิ่งบางอย่างทําให้ไม่พูดออกไปและน่าแปลกที่คนงานซึ่งทำการขุดก็ไม่ได้ท้วงติงให้หยุดขุดทั้งทงที่ก็ไม่ได้แร่ทองคำอะไรขึ้นมาเลยแต่ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาขุดลึกลงไปเรื่อยๆประหนึ่งว่ามีพลังลึกลับดึงดูดให้ขุดต่อไปทั้งที่ไม่รู้ว่าจะขุดไปทาไมเหมือนกันนะคะ ซึ่งในที่สุดค่ะก็พบกันกับก้อนหินหยกเขียวขนาดเมื่อหือมาจมอยู่ในดินก้นทางน้ําการขุดพบหยกเขียวก้อนใหญ่ที่สุดในโลกก้อนนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะว่ามีหยกเขียวบริสุทธิ์ไร้รอยตำหนิเพียงก้อนเดียวที่มาผุดอยู่ในเหมืองทองคาแล้วก็ไม่ใช่หยกเขียวที่เกิดขึ้นในสถานที่นี้จากความเชี่ยวชาญของแนจรสกัดเลอร์นักธรณีที่ร่วมทีมสันนิษฐานว่าหยกเขียวก้อนนี้ จะต้องมีการเคลื่อนตัวจากยอดเขาสูงสุดก็คือยอดเขาคิงเมาท์เทนลงมาโดยใช้เวลาเลื่อนไหลไม่ต่ำกว่า 8,000 ถึง 10,000 ปีอย่างแน่นอนกว่าจะมาปรากฏณที่ขุดพบโดยหลังจากที่พบหยกเขียวฝังอยู่ในดินแล้วนะคะคนงานก็ต้องใช้เวลาถึง7วันค่ะโดยใช้รถแมกโรขนาดใหญ่2ตัวช่วยกันดึงขึ้นมาจากดินแล้วก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดบุบสลายแม้แต่น้อย เมื่อนายจรพบกันกับพระเดชพระคุณพระราชธรรมเจติยาจารย์แล้วก็ทราบว่าท่านมีจิตเจตนาติดตามสืบหาหยกเขียวบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปฏิมาองค์แทนสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ที่ประเทศไทยเขาเองก็ถึงกับขนลุกค่ะด้วยความปิติสุดพันนา เขาเชื่อว่าการค้นพบก้อนหยกเขียวบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองทองของเขาเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เนื่องจากรัตนชาติก้อนนี้เมื่อได้รับการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วย่อมจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาสืบไปชั่วการนานการที่หยกเขียวบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกก้อนนี้รอคอยการค้นพบเพื่อนําไปแกะสลักเป็นองค์พระปฏิมาพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลกเพียงองค์เดียวเป็นไปได้นะคะว่า เทพเจ้าหรือเทพพยดาได้เฝ้าปกปักรักษาไว้เพื่อเป็นรัตนชาติในพระพุทธศาสนาเท่านั้นและการก็เป็นไปดังได้กล่าวมาเมื้องต้นเมื่อได้ก้อนหยกเขียวขนาดมหึมาเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแล้วประเด็ดพระคุณเจ้าพระราชธรร ม, มเจติยาจารย์ค่ะก็เลยได้ดำเนินการส่งก้อนหยกกลับสู่ประเทศไทยทางเรือเดินสมุทรในเดือนมกราคม2535 หยกเขียวก้อนใหญ่ที่สุดในโลกถูกลำเลียงไปไว้ที่วัดธรร ม, มงคลและเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งของหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์ในขณะนั้นนะคะ เมื่อวันที่10เมษายน2535ก็มีพิธีต้อนรับหยกเขียวทั้งทางพุทธและทางพราหมณ์โดยมีพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้นเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายขรุขระพร้อมด้วยนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พอคาข้ า, ขาราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะ เมื่อได้หยกเขียวมาแล้วก็เหลือแค่ต้องหาช่างมาแกะสลักให้เป็นพระพุทธรูปปฏิมา ต, ต่อไปซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจะต้องหาช่างผู้ที่มีฝีมือจริงๆมาทำงานนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดทำพลาดเนี่ยจะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลและไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น ช่างแกะสลักที่มีฝีมือเยี่ยมที่สุดในโลกมีอยู่ที่ประเทศอิตาลีเท่านั้นค่ะเหตุนี้พระราชธรรมเจติยาจารย์หรือว่าหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรค่ะจึงต้องเดินทางไปประเทศอิตาลีอีกครั้งพร้อมด้วยคณะของท่านผู้นําทางซึ่งรู้จักกับช่างแกะสลักฝีมือเยี่ยมที่ท่าเมืองคาราราพาไปยังมหาวิทยาลายัยอ่าชื่อช่างเปาโลเป็นอาจารย์สอน ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยปิดพอดีค่ะไม่สามารถติดต่อกับช่างเปาโลได้ทุกกรณีเนื่องจากไม่รู้ที่อยู่แล้วก็ไม่รู้เบอร์โทรศัพท์คณะของหลวงพ่อวิริยังผิดหวังอย่างรุนแรงไม่สามารถจะติดต่อกับช่างเปาโลได้ดังนั้นจึงตั้งใจว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยก่อนถึงวันเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นคณะของหลวงพ่อวิริยังพากันไปช้อปปิ้งร้านรองเท้าบังเอิญอย่างเหลือเกินค่ะ ที่ช่างเปาโลนะคะก็เข้าไปซื้อรองเท้าในร้านนั้นเช่นกันเมื่อจํากันได้จึงเจรจาด้วยความปิติดีใจเป็นที่สุด ก็มีการนัดหมายพูดจาเรื่องแกะสลักพระพุทธรูปปฏิมากรแล้วก็ตกลงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นนายช่างเปาโลแล้วก็ช่างซีซี่ค่ะก็เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแกะสลักพระพุทธรูปยกเขียวโดยค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าซื้อหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลกจําเป็นต้องใช้เงินถึงเกือบ30ล้านบาทแล้วก็ยังต้องสร้างศาลาประดิษฐานไว้อีก ด, ด้วยนะคะนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินก้อนมหฮือมาซึ่งเงินจนํานวนนี้เป็นภาระ หนักหนาสาหัสยิ่งของหลวงพ่อวิริยังและท่านก็มองไม่เห็นว่าจะได้เงินมาด้วยวิธีใดโดยเมื่อวันที่11เมษายน2535เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ก็ได้มาอาราธนาหลวงพ่อวิริยังไปแสดงธรรมเทศนาเวลา8นาฬิกานะคะเมื่อแสดงธรรมจบแล้วท่านก็ได้ถือโอกาสบอกกล่าวกับญาติโยมว่าขณะนี้ยังขาดปัจจัยเพื่อที่จะดาเนินงานแกะสลักพระพุทธรูปหยกเขียวจานวนมาก ท่านกล่าวในรายการเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อกลับมาถึงวัดธรรมเจดีในตอนบ่ายท่านเองถึงกับตะลึงงานเมื่อเห็นว่าประชาชนมาร่วมกันบริจาคเงินชนิดมืดฟ้ามัวดินปรากฏว่าได้ปัดใ จ, จบริจาคเกินเป้าหมายซะด้วยซ้ําจึงเป็นอันว่าการแกะสลักพระพุทธ ร, รูปดําเนินไปจนเรียบร้อยทุกประการนายเปาโลเวียกี้นะคะกล่าวกับพระธรรมเจติยาจารย์ผ่านสงฆชาวอิตาลีว่า ผมมีความแปลกประหลาดใจมากในการมาแกะสลักพระพุทธรูปหยกในครั้งนี้ขณะที่ผมกำลังแกะสลักนั้นจะมีเหมือนแม่เหล็กมาดูดที่มือผมตลอดเวลาแล้วก็จะพยายามดึงดูดให้เป็นไปตามที่แม่เหล็กต้องการตามความรู้สึกของผมนั้นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาคอยให้เห็นอยู่ต่อหน้าเวลาฝันก็จะฝันเห็นพระพุทธเจ้านับบ่อยครั้งนี่คือความมหศัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งในการแกะสลักพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก ท่านที่ต้องการไปกราบนมัส ก, การก็ขอเชิญไปสักการะบูชาได้ที่วัดธรรมมงคลตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครได้ทุกวันทุกเวลานะคะวันนี้หมดเวลาของบีแล้วค่ะแล้วก็รายการพระเจอผีของเราพบกับเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆที่หาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องเล่าของชาวบ้านเรื่องเล่าจากปากคาของพระอริยะนะคะแล้วก็เรื่องในตำนานที่ แฟนเพจพระเจอผีแล้วก็ YouTube channel พระเจอผีค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ